Thank <laughs> you. และคุณแม่ตอนที่หกหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านสอนลูกศิษย์ทุกคนเสียงดังท่านบอกว่าจําไว้นะทุกคนวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจวันเกิดของเราคือวันตายของแม่วันนั้นแม่ต่อสู้กับความตายและรอดมาได้อย่างบุดหวิด ตอนคลอดเราแม่บางคนไม่โชคดีเหมือนแม่เราตายทั้งแม่ทั้งลูกตอนคลอดที่โรงพยาบาลเคยได้ยินไหมคลอดแล้วแม่ก็ตายลูกก็ตายวันเกิดเราจึงคล้ายวันตายของแม่เพราะฉะนั้นพอถึงวันเกิดต้องคิดถึงพระคุณแม่ต้องตอบแทนพระคุณของท่านไม่ใช่พอถึงวันเกิด ก็โทรนัดเพื่อนไปกินเหล้าไปเลี้ยงกันไปเที่ยวเตยกันสนุกสนานแต่ลืมแม่ใครจำวันเกิดเราได้แม่นที่สุดแม่ส0ิบหาสิบปีแล้วแม่ก็ยังไม่เคยลืมจำวันเกิดของลูกได้ทุกคนพอถึงวันเกิดลูกแม่ก็จะชฉเง้อมองอยากเห็นหน้าลูกอยากกอดลูกอยากหอมแก้มลูกให้ชื่นใจให้สมกับที่คิดถึง แม่นั่งชฉเง้อตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วแม่ก็ต้องเข้านอนด้วยหัวใจที่บอบช้ำลูกไม่ได้คิดถึงแม่เหมือนกับที่แม่คิดถึงลูกเราทำร้ายหัวใจแม่สาหัสสาการเหลือเกินเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามีธรรมะเรามีคุณธรรมปัญญาเกิดรู้ผิดชอบชั่วดีแล้ววันเกิดของเรา แม่ต้องประจนกับความตายเพื่อให้ชีวิตเราเราต้องมาหาแม่มาป้อนข้าวแม่มาปริบัติแม่มาล้างเท้าให้แม่มากราบเท้าแม่ทำให้แม่ชุ่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่ม ม, มีความสุขลูกคนไหนทำได้อย่างนี้ลูกคนนั้นเจริญพอมาถึงเอาเสื้อผ้าตัวใหม่ที่เราซื้อมาให้พ่อแม่ใส่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 ท่านอาบน้ำให้เราเช็ดตัวให้เราโรยแป้งให้เราก้นเราแม่ก็โรยด้วยเท้าเราแม่ก็โรยด้วยเราก็ทําให้ท่านเป็นการตอบแทนเสร็จแล้วหมอบลงไปยกเท้าท่านวางบนศรีรษะเรารำลึกถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบไม่ได้ใครทําได้อย่างนี้ชีวิตประเส ร, ริฐเจริญรุ่งเรืองเสร็จแล้ว เอาอาหารเอาขนมมาป้อนท่านปราผลไม้ใส่ปากท่านเอาผ้าสะอาดสะอาดเช็ดปากให้ท่านเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ตอเล็กๆท่านป้อนอาหารเราเช็ดปากให้เรากินอิ่มน้ำเสร็จแล้วเอาเงินใส่มือแม่แล้วกลับไปที่เท้าบอกว่าเงินนี้คือเงินบูชาพระคุณแม่จะเป็นการกระตันยูกะตะเวทีที่ยิ่งใหญ่ พอแม่จะมีความสุขและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตลูกๆทุกคนจงจำภาพนี้ให้ขึ้นใจที่บ้านพักคนชราบางแครู้จักไหมใครเคยไปบ้างคนแก่มาอยู่ที่นี่เยอะแล้วคนแก่ที่นี่มีลูกทั้งนั้นแต่ลูกไม่ดูแลพอถึงวันสำคัญปีใหม่ตรุษจีนสงกราน ตาแก่ยายแก่เหล่านี้ก็นั่งเฆ้อหวังว่าลูกๆจะมาเยี่ยม365วันมาสักครั้งเดียวก็ชื่นใจแล้วแต่ปรากฏว่า365วันไม่มาเลยปล่อยให้แม่ต้องแห้งเหี่ยวนั่งร้องไห้โหดร้ายจริงๆลูกๆที่รักทุกคนหัวใจของแม่อ่อนนุ่มและปลอด บ, บางต้องการได้รับการทะนุถนอม ดูแลเอาใจใส่จากลูกๆทุกคนพ่อแม่นั้นแม้จะกินอิ่มนอนอุ่นเพียงไรก็ยังอยากเห็นหน้าลูกอยากกอดลูกอยากหอมแก้มลูกไปหาแม่บ้างอย่างน้อยสักปีละครั้งไปเลี้ยงหัวใจแม่ให้แม่ได้ชื่นใจได้มีความสุขการเลี้ยงหัวใจพ่อแม่คือการไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจช้าใจ หรือต้องน้ำตาตกเพราะเราอย่าทำให้ท่านต้องไม่สบายใจจนแอบร้องไห้เพราะลูกลืมไปว่ามีท่านอยู่ในโลกนี้เลี้ยงท่านแต่เฉพาะร่างกายจะมีประโยชน์อะไรเพราะถ้าใจไม่เป็นสุขเสียแล้วจะกินก็กินไม่อิ่มนอนก็นอนไม่หลับแล้วร่างกายจะทนไหวหรือ นักศึกษาหญิงคนหนึ่งหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วออกมายืนร้องไห้บอกว่าหนูบาปมากหนูทำให้แม่ร้องไห้หนูอยากได้จักรยานเพื่อนๆ เ, เขามีจักรยานถีบไปโรงเรียนกันหนูไม่มีบอกให้แม่ซื้อจักรยานให้ไม่งั้นไม่ไปโรงเรียนแม่บอกว่าเราจนนะลูกแม่ไม่มีเงินลูกต้องรอก่อนขอเวลาแม่หน่อย ให้เวลาแม่เก็บเงินก่อนนะลูกหนูไม่ยอมเย็นบันนั้นเลิกเรียนหนูไม่กลับบ้านไปค้างบ้านเพื่อนแม่ร้องไห้เที่ยวตามหาหนูตามบ้านเพื่อนลูกไปไหนลูกไปไหนลูกสาวฉันหายฉันห่วงมากลูกไปไหนแม่ร้องไห้โหตลอดเวลาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้จนกระทั่งมาพบหนูแม่วิ่งเข้ามากอด กลับบ้านเถอลูกแล้วแม่จะซื้อรถให้แม่จะไปกู้เงินเข้ามาซื้อรถให้ลูกแม่กอดหนูร้องไห้สะอกสะอื้นหนูถึงยอมกลับบ้านอาจารย์หนูชั่วเหลือเกินหนูบาปมากหนูพยี้หัวใจแม่เป็นยังไงชัดไหมภาพนี้ชัดเจนไหมเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะ คนนี้แม่เป็นคนบ้านนอกวันสงกรานลูกบ้านอื่นเขามาไหว้พ่อไหว้แม่กันรถน้ําดําหัวเป็นที่สนุกสนานมีความสุขลูกสาวของตัวเองไม่มาหลังสงกรานทนคิดถึงลูกสาวไม่ไหวเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าลูกสาวชอบกินน้อยหนาปีนต้นน้อยหนาเก็บใส่ฉลอมเอาไปฝากลูก คิดถึงลูกอยากเห็นหน้าอยากพูดคุยสัมผัสลูกอยากนอนกอดลูกให้ชื่นใจสักคืนหนึ่งพอไปถึงบ้านลูกสาวที่กรุงเทพดีใจมากเปิดฉลอมหยิบน้อยนาออกมาหยิบยอดมะม่วงใบกระถินออกมามีของชอบของลูกทั้งนั้นแม่อุตส่าห์ไปเก็บมาให้ลูกว่าไงรู้ไหมลูกดีใจมากที่แม่มาวิ่งเข้าไปจับแขน แม่มาก็ดีแล้ววันนี้แม่ช่วยเฝ้าบ้านหน่อยนะหนูจะไปนอนกับเพื่อนแม่คิดถึงลูกใจจะขาดเดินทางมาจากต่างจังหวัดหวังจะได้ใกล้ชิดลูกคุยกับลูกกินข้าวกับลูกและขอนอนกอดลูกให้ชื่นใจให้หายคิดถึงสักคืนแต่พอมาถึงแม่ช่วยเฝ้าบ้านหน่อยนะหนูจะไปนอนกับเพื่อนดูหัวใจคน แม่พูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าพอลูกเดินออกคนประตูบ้านน้ำตาแม่ก็ไหลบัวซึ่งเป็นสัตว์เตลชานถึงแม้มันไม่ได้แทนคุณแม่ของมันแต่สัตว์เตลชานตัวนั้นก็ไม่เคยทำให้แม่ต้องน้ำตาไหลไม่เคยขยี้หัวใจแม่แต่ลูกคนทำได้ถ้ า, าจาั์จบเรื่องนี้ไว้แค่นี้ ก็ดูจะทำร้ายจิตใจพวกเราเกินไปฟังตัวอย่างต่ออีกสักเรื่องก็แล้วกันแม่คนหนึ่งลูกตายเผาศพเสร็จเอาผ้าขาวลูกไม้อย่างดีมาห่อกระดูกลูกตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่ซึ่งจัดไว้สวยงามมากจุดเทียนไหว้ทุกวันหลานสาวถามว่ากระดูกใครกระดูกลูกสาวของยายเองหลานสาวหัวเราะ กระดุกลูกสาวยายยายไหว้ลูกสาวทำไมเพราะลูกสาวยายเป็นคนดีมีคุณธรรมตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็แตนอยู่ต่อยายมากเขาเอาใจใส่ดูแลปรนิบัติทุกอย่างจัดการให้เรียบร้อยเขา้าพรรษาออกพรรษาต ด, ดสงกรานทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นลูกสาวยายจัดการดูแลให้ยายทุกเรื่อง ข้าปลาอาหารเครื่องบริขารสังฆพัณธ์เรียบร้อยพายายไปทำบุญทุกวันพระทำบุญเสร็จยายอยากกินอะไรพาไปกินหามาให้กินตอนลูกสาวยายมีชีวิตอยู่ก็ทำให้ยายมีความสุขเหลือเกินตอนนี้เขาตายไปเสียแล้วยายจึงจุดทูกเทียนบูชาความดีทุกครั้งที่ยายไหว้กระดูกรูปของยาย ยายจะคิดถึงความดีที่เขาทำกับยายตอนยังมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงมันทำให้ยายมีความสุขเห็นภาพชัดเจนไหมลูกยอดกระตัญยูถึงแม้ตายไปแล้วตายก่อนแม่ก็ยังทำให้แม่มีความสุขยังเลี้ยงหัวใจแม่ได้นี่คืออนุภาพของความกระตันยูในบรรดาดอกไม้หอมทั้งหลาย มะลิเป็นราชนีของดอกไม้หอมเป็นแชมป์ของดอกไม้หอมทั้งหมดกลิ่นก็หอมชื่นใจนอกจากกลิ่นหอมแล้วสียังขาวบริสุทธิ์ที่สุดขาวบริสุทธิ์น่ารักน่าชื่นใจวันนี้ลูกๆทุกคนเป็นดอกมะลิไม่ว่าลูกจะอยู่ไหนในสังคมลูกจะมีกลิ่นหอมดีกว่าน้าหอมยี่ห้อใดๆในโลกที่ลูกใช้ คนที่เห็นจะรักมองด้วยความชื่นชมจิตใจของลูกปราศจากความขุ่นข้องหมองใจโกรธโมโหอาฆาตพยาบาทใจของลูกขาวบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิทำให้ลูกมีเสน่ห์มากขึ้นผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนๆก็รักลูกก็จะมีแต่ความสุขตอนนี้ลูกจะเป็นพวงมะลิ พวงมาลัเอาไปใช้ที่ไหนจึงจะมีค่าที่สุดเอาไปบูชาผู้ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเอาไปบูชาพ่อพระแม่พระของลูกเอาไปวางไว้แทบเท้าของท่านทั้งสองไปกราบเท้าท่านไม่ต้องอายไม่ต้องเขินใดๆถ้าลูกอยากจะเขินปลดเขินกับการทำชั่วเวลาทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเขิน การทำความดีนั้นต้องกระหารและเด็ดเดี่ยวหมอบลงไปยกเท้าของแม่วางบนเสียนกล้าวของลูกลูกคนไหนทำได้อย่างนี้ยอดเอาสิ่งที่สูงที่สุดของเราสัมผัสกับสิ่งที่ต่ำที่สุดในตัวท่านเขินทำไมตอนเด็กๆแม่เคยอุ้มเราขี่คอเอาเราเทินไว้บนศีรษะเคยเห็นไหม เอาก้นลูกที่เพื่อนอุจจาระไปไว้บนหัวท่านยังทำได้จูบฝ่าเท้าลูกเอาฝ่าเท้าลูกมาคลึงหน้าท่านก็ทำบ่อยแล้วทำไมลูกจะเอาฝ่าเท้าท่านซึ่งล้างสะอาดแล้วมาวางไว้บนศีรษะให้เป็นสิริมงคลไม่ได้สำหรับลูกที่เป็นมุสลิมในคำภีท่านบอกไว้ว่าสวรรค์อยู่แทบเท้าของมารดาเจ้าจงไปสัมผัสเท้าแม่ ไปกราบเท้าแม่แล้วเจ้าจะขึ้นสวรรค์พวงมาลัยที่อาจารย์มอบให้ในวันนี้เอาไปวางแทบเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก้มลงกราบให้สมภาคภูมิกับที่เราเป็นลูกกระตันยู